หันธรรมยังอริยธนคธาโยพนามเสยยัสสัสสัทธาท่าคาเตมอาจรลาสุปฏิทิตานสัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมันอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลันจายัาสสกเลายานัง อริยกันต่างประสังสิตังและสิ่งของผู้ใดหมดงานเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจา้าสังเกปสาทโทยสัสสติปุชุปปูตันจะทักสนงความเลื่อมใสของผู้ใดมีในปพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงอธ า, าริโตติตังอาหูอโมคันตัสาชีวิตังมันดิกลเรียกเขาผู้นั้นว่า <ผม S 1> คนใม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตัสมาสัตธันจะศีลันจมตัสสาทังธรรมทัศนัง อนุยนเทธเมธาวีสารังพุทธานศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อรึกได้ถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนือง